บทที่6กายานุปัสนาสัมปัญญา บ, บพุทธพจน์โดยกราภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการทรงภาสังคติบาทและจีวรในการฉัน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 ระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกปัญหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระระภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอจบสัมปชัญญบัพหากฝึกอนาปานาบัพและอิริยาปฏิบัพเสร็จสำเร็จผลตามลำดับถึงขั้นนี้ จิตก็จะเบาและคิดน้อยลงแล้วกับทั้งมีความรู้ตัวเกาะติดกับกายพอสมควรฉะนั้นเมื่อมาฝึกสัมปชัญญะบัพก็จะเห็นว่าเป็นการต่อยอดคือพัฒนาความรู้ตัวให้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่า อ, อิริยาบถบัพเมื่อแรกศึกษาขั้นตอนในสัมปชัญญะบัพอาจรู้สึก ว่าไม่น่ายากเกินอะไรจึงมีโอกาสสูงที่ผู้ศึกษาโดยไม่ลงมือปฏิบัติจริงหรือทดลองเพียงผิวเผินแล้วเลิกจะมองว่าแบบฝึกหัดต่างๆในบับนี้เป็นของตื้นเขินเาะมาๆไปว่าพยายามระลึกเป็นครั้งเป็นคราวในกิจประจำวันก็คงเพียงพอแต่ความจริงใจความจริงหากใส่ใจจริงจัง ก็จะพบว่ารู้ตัวอย่างละเอียดนี้ง่ายเพราะตอนทําเล่นให้เกิดผลประเดียวประดาวแต่จะยากตอนรักษาความรู้ไว้อย่างต่อนเนื่องหรืออย่างเป็นธรรมชาติหากขาดพื้นฐานที่แข็งแรงพอก็จะไม่สามารถพัฒนาจิตให้มีคุณภาพเปี่ยมเต็นดังเป้าหมายของแบบนี้เลยนิยามของสัมปชัญญะตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานนั้นความหมายของสัมปัช ญ, ญะคือความรู้ตัวอยู่เสมอหรือความไม่เผลอตัวส่วนความหมายของสัมปัช ญ, ญะในทางธรรมนั้นมีความหมายต่างออกไปบ้างโดยเฉพาะในแง่ของความรู้ชัดและรู้ต่อเนื่องดังจะยกคาจำแนกอธิบายตามพระอภิธรรมปิฎกเล่นหนึ่งและเล่นที่สองซึ่งเกี่ยวกับการแจกแจงแบบนี้ โดยตรงมาแสดงสัมปชัญญะเป็นฉไหนปัญญากิริยารู้ชัดความวิจัยความเลือดสันความวิจัย ร, รมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้จำแจ้งความคดคิด ความใคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งคือความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญาเหมือนยินซีปัญญาพลัปัญญาเหมือนสัตตราปัญญาเหมือนปราสาสตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิอันใดนี้ชื่อว่าสัมปัญญะมีในสมัยนั้นข้อสังเกตในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการรู้อิรยาบถย่อยก็จัดเป็นสัมปัญญะซึ่งมองในมุมของผู้เริ่มปฏิบัติภาวนาแล้วอาจเห็นทั้งในแง่ของการใช้อิริยาบถย่อย เป็นตัวสร้างสัมปชัญญะและทั้งในแง่ของการรู้ทันเอเริยาบทย่อยตามจริงเป็นเกณฑ์ประเมินว่ามีสัมปชัญญะตามธรรมชาติแล้วหรือยังสำหรับบทนี้จะเน้นในแง่ของการสร้างสัมปชัญญะด้วยวิธีฝึกตามลำดับขั้นและวิธีกำหนดรู้ตามจริงไม่ว่าจะมองตามภาษาชาวบ้านหรือภาษาพระอย่างน้อยที่สุดคุณสมบัติของสัมปชัญญะคือ ต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่ความต่อเนื่องชนิดตลอด24ชั่วโมงไม่ขาดสายแต่เป็นความต่อเนื่องสักครู่หนึ่งพอให้รู้ชัดในความเป็นเช่นนั้นขาดไปหน่อยแล้วกลับมาต่ออีกตัวคุณสมบัติของการรู้ก็เป็นเรื่องน่าพูดถึงอย่างที่สุดแม้ว่าจะรู้ตัวได้ต่อเนื่องจริงสักสินาทีไม่พลาดเลย แต่ถ้าต้องฝืนจิตฝืนใจหรือเกิดอาการเพ่งเกรงเกินกำลังอันนั้นก็ไม่นับเป็นสัมปชัญญะชนิดจะก่อให้เกิดปัญญาหรือความสว่างใดๆตรงข้ามอาจเกิดผลให้จิตยิ่งมืดมัวคลุมหนักด้วยโมหะยิ่งกว่าเดิมสรุปว่าโดยนิยามของสัมปชัญญะในสัมปชัญญะแบบนี้เราตั้งเข็มทิศไว้ให้รู้อิรียบทปลีกย่อยต่างๆชัดเจนต่อเนื่อง ยิ่งชัดนานก็ยิ่งเบายิ่งเน่นนวนยิ่งสว่างไม่ชัดนานแล้วหนักอึ้งหรือมืดทึบไป เอกประการหนึ่งผู้ภาวนาบางรายจะเข้าใจว่าคุณภาพของจิตชนิดเยี่ยมยอดในความมีสัมปชัญญะนั้นจะต้องไร้ร่องรอยความคิดเจือปนความจริงแล้วหลักไม่แรกที่ควรให้ถึงหาใช่ความไม่คิดแต่ควรไปถึงความขยับเมื่อไหร่รู้เมื่อ น, นั้นคือขยับอย่างเป็นธรรมชาติแล้วรู้ทันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่จงใจขยับช้าหรือว่าเร็วกว่าปกติสิ่งเดียวที่เร็วกว่าปกติคือการไหวรู้ของจิตอันสัมพันธ์รงกับการเคลื่อนตัวแห่งองคาพยพตลอดกายความเกี่ยวเนื่องกับอิริยาบถขอให้ทดลองดูด้วยการจงใจรู้อาการหันหน้าไปทางซ้ายและขวาจะไม่ว่าสติเป็นอย่างไร แล้วลองนั่งหรือยืนตามปกติรู้อิริยาบถนั้นๆโดยปราศจากความฝืนหรือส่งใจเพ่งจากนั้นหันหน้าไปทางซ้ายและขวาอีกทีรับรู้ออกมาทางสติที่ตั้งอยู่ในอิริยาบถจะเห็นตรงกันว่าเมื่อมีความรู้อิริยาบถเป็นพื้นยืนพอจำแนกความแตกต่างได้ดังนี้ 1. ก่อนจะรู้อาการเหลียว มีพื้นฐานให้สติปักหลักอยู่ก่อนสองขณะรู้อาการเหลียวมีความรู้ทั่วพร้อมกว้างขวางไม่มีสติอยู่กับอิรยาบุา์หลังจากรู้อาการเหลียวพื้นฐานสติยังคงเดิมข้อสุดท้ายนั้นสำคัญและทำให้เห็นความแตกต่างชัดเจนที่สุดกล่าวคือถักเคลงขออภัยค่ะ ถ้าแค่จงใจรู้อาการเหลวหน้าโดยปราศจากพื้นยืนดั้งเดิมของสติผลคือสติหายไปพร้อมการหมุนคอกลับมามองตรงแต่ถ้าความรู้อิริยาบถเป็นหลักตั้งแล้วพอสิ้นสุดความรู้อาการเหลวสติก็จะยังมีพื้นยืนไม่หลุดลอยไปข้อแรกและข้อสองสำคัญไม่แพ้ ก, กันกล่าวคือ จะไม่สามารถทราบอาการเหลียวโดยความเกิดขึ้นถ้าปราศจากพื้นยืนที่ทำให้เห็นความแตกต่างเช่นเดียวกับที่เราไม่อาจทราบอาการกระโดดถ้าปราศจากพื้นดินที่สปริงตัวลอยขึ้นไปหากคาสติรู้ในแง่ของความเกิดขึ้นเมื่อถึงขั้นที่ต้องฝึกรู้อนิจจังของความเคลื่อนไหวก็จะไม่เห็นครบวงจรลักษณะแห่งอนิจจังคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปอาจเห็นเบลอๆเฉพาะตั้งอยู่หรือแถมพ่วงตอนดับไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกเหนือจากความเห็นครบวงจรแล้วความรู้ชัดก็เป็นประเด็นสำคัญคือเราจะเห็นอนิจจังของความเคลื่อนไหวทางกายนั้นหากประศจากิรียบทเป็นที่เกาะของสตรีไว้ล่วงหน้าก็อาจเห็นอนิจจังได้เพียงแผ่วไม่สะดุดใจ ไม่ประจักษ์แจ้งและไม่เกิดปัญญาคลายวางความยึดมั่นถือมั่นจริงจังแต่อย่างใดในทางกลับกัน หากกำลังอยู่ในช่วงขาดสติไร้ความรับรู้เกี่ยวกับอุรยาบทที่เป็นปัจจุบันจิตผสมรวมเข้ากับความพุ่งซ่านถ้าลองเคลื่อนไหวเลี้ยวซ้ายแลขวาแล้วเอาความรู้การเคลื่อนไหวนั้นดึงความรู้สึกเกี่ยวกับอุรยาบทใหญ่กลับมาเช่นถามตัวเองว่าในอุริยาปริย่อยห น, หนึ่งตั้งอยู่ที่อุริยาบทเดินยืนหรือนั่งเมื่อรู้ชัดในอุรยาบทใหญ่นั้นก็ส่งความรู้ไว้ถ้าส่งไม่ได้ก็ ใช้ลมหายใจช่วยเช่นหายใจออกรู้ว่ายืนหายใจเข้ารู้ว่ายืนเป็นต้นเพียงกำหนดง่ายๆเท่านี้ทำบ่อยสองสามวันก็อาจจะเปลี่ยนความฟาุ้งซ่านจับจดให้กลายเป็นคนมีสติรู้ตัวดีได้ถึงขั้นเกิดสัมปาชญยะแนวการฝึกตามลาดับดังกล่าวแล้วว่าจะต้องการคุณภาพจิตชนิดที่ไว้รู้ ไว้ทันความเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลักรู้ในสัมปชัญญะบัพจนเป็นได้สองหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือฝึกให้รู้หน้าที่สองคือว่ารู้แค่ไหนถ้ารู้เองได้หมดตามที่ระบุ ก, ก็ถือว่าผ่านแต่ถ้ารู้ไม่หมดหรือยังไม่อาจไว้รู้ได้ทันเลยก็ควรเริ่มจากพื้นฐานคือฝึกรู้ตามลาดับ ยังมีกรอบมีเกณฑ์ตามสมควรในการก้าวในการถอยขั้นนี้จะเป็นที่ผ่านตาละเลยง่ายอีกขั้นหนึ่งน้อยคนจะลองฝึกให้เห็นว่าถ้าปูพื้นอย่างดีด้วยการฝึกกรูก้าวและถอยอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาจะเกิดผลดีขึ้นได้เพียงใดการก้าว และถอยนี้พื้นยืนอยู่ที่เรียบทเดิอนอีกนายหนึ่งตามการฝึกจิตให้ตื่นนั้นจะหมายเอาการเดินจงกรมอยู่ในลู่ทางจำกัดเฉพาะไม่ใช่ทางเดินสาธารณะทั่วไปกาหนดระยะก้าวไปข้างหน้า5้าก้าวและถอยเท้ากลับมาห้าก้าวเท่ากันความกังวลกลัวถอยมาจะชนอะไรจะไม่เกิด เนื่องจากข้าว้าข้างหน้านั้นเหมือนกรวยทางเปิดทางโล่งไว้แล้วน่าจะได้ข้อสังเกตตรงกันว่าก้าไปข้างหน้าเราอาจยังติดที่จะส่งจิตไปตามสายตาอยู่ความรู้ตัวทุกอิริยาบถหรือรู้ขณะแห่งการส่งเท้าไปข้างหน้าจะถูกกระแสตาแย้มไปได้ทว่าวเมื่อก้า กลับมาข้างหลังนั้นจิตจะไม่ส่งตามสายตาไปข้างหน้าอย่างเคยแต่จิตจะมาจับสนิทอยู่ที่อิริยาบถเดินและกิริยาถอยเท้าเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงแรกๆผ้นคือความรู้ตัวชัดจะเกิดขึ้นเพียงเดินหน้าและถอยหลังไม่กี่รอบอาจจะสักสองสานาทีก็จะได้ตัวอย่างหรือแม่บทแม่แบบ ให้รู้ทั้งิริยก้าวและกิริยาถอยในชีวิตประจาวันไปเองในการแลในการเหลียวการแลคือกิริยาที่เราทอดตาออกไปมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นการส่งตาหรือ กลอกตาทางซ้ายขวาหรือขึ้นลงส่วนการเหลียวนั้นจะมีการหมุนคอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในขั้นของการฝึกหัดไว้เป็นตัวอย่างนั้นอาจต่อเนื่องกันขั้นก่อนนั่นเองคือพอก้าวและถอยกระทั่งสติเข้าที่แล้วก็หยุดอยู่ในเรียบตยืนเพื่อใช้เป็นหลักรู้รู้เข้ามาเฉยๆในการยืนธรรมดานั่นเอง กว่าตาไปซ้ายแล้วย้ายมาทางขวาแล้วกลับมาตรงกลางรู้ชัดถึงอาการที่ลูกในตากรอกโดยไม่ลืมกายหลักที่อยู่ในอิริยบทนั่งหรื อ, อยืนนั้นขณะแห่งการแลต้องอยู่ในความหมายของการแลจริงๆคือต้องเห็นว่าตากระทบกับวัตถุใดมีสีสันอย่างไรระยะห่างเพียงไหน ตาจับที่ใดแล้วไม่ทราบว่ามองอะไรจะเป็นจังหวะโอกาสให้ความคิดฟุ้งซ่านเข้าแทรกได้อีกอย่างคือแลนั้นมิใช่เพ่งหรือจงใจเห็นมากเกินเหตุทุกอย่างต้องยืนพื้นอยู่บนความธรรมชาติเคยแลอย่างไรก็แลสบายๆแบบนั้นเมื่อแน่ใจว่าสามารถรู้อาการตลอดตาและทอดตรงโดยไม่ลืมอิเรียบท หลัได้แล้วให้ลองหมุนคอไปทางซ้ายแล้วย้ายมาทางขวาอย่างต่อเนื่องขอให้รักษาตาไว้ในแนวตรงและเริ่มจับภาพพร้อมกับการหยุดหมุนคอโดยไม่หลงลืมอิริยาบถหลักที่กำลังตั้งอยู่เมื่อกรอกตาและหมุนคอซ้ำไปซ้ำมากระทั่งเกิดความนิ่งเงียบรู้ชัดในภายในบ้างแล้ว อาจเริ่มพบความจริงบางประการที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเช่นคอมนุษย์เหมือนเครื่องจักรกลที่มีข้อจำกัดหมุนไปได้เท่านั้นเท่านี้แล้วติดหมุนต่อไม่ได้ความรับรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดที่เราไม่ใช่ผู้กาหนดไม่ใช่ผู้ออกแบบสร้างนั้นจะเป็นมูลฐานของการอย่างรู้สภาวะธรรมในแง่อนา ต, ตาได้ประการหนึ่ง เมื่อซักซ้อมจนชินต่อไปในชีวิตประจําวันก็จะได้ตัวอย่างนี้ไว้เป็นหลักและรู้ขณะแลและเล้ยวสิ่งที่เห็นเป็นความเปลี่ยนแปลงคืออัตราตัวตนของผู้หันซ้ายหันขวาและลดลงจะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกสักแต่เป็นอาการเคลื่อนไหวของวัตถุชิ้นหนึ่งที่เราไม่ได้ออกแบบสร้างอีกประการในตาของคนเราเป็นอวัยวะที่เชื่อมความรู้สึก เกี่ยวกับความคิดและตัวตนไว้มากกว่าอาวัยวะอื่นใดทั้งหมดฉะนั้นถ้ารู้ชั้เข้ามาที่กาแลมากเท่าใดก็จะยิ่นทอนกำลังของความรู้สึกในตัวลงได้มากเท่านั้น ในการคูเข้าในการเหยียดออกการคูคือการงอเขา่าเป็นตรงข้ามกับการเหยียดออกใช้กับอวัยวะที่เป็นระย่างได้แก่แขนและขาจึงควรฝึกให้รู้ครบทั้งสองทางหักฝึกก้าวและถอยแลและเหลวก็อาจจะลองเดินต่อเป็นก้าวและถอยซ้ําอีก แต่คราวนี้รู้ละเอียดลงไปถึงอาการงอและเหยียดของขาขอให้รู้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะถ้าทำตามลำดับจิตจะมีความราบเรียบนิ่มนวลดีพร้อมพอที่จะรู้เองอยู่แล้วเราเพียงกำหนดดูลงไปอย่างเฉพาะเจาะจงเล็กน้อยว่าแต่ละย่างก้าวมีทั้งงอเข้าและเหยียดออกนิดๆเสมอเสมอ จากนันอาจยืนนิ่งพับแขนสองข้างเข้ามาพร้อมกันและเหยียดออกแล้วเปลี่ยนไปทําทีละข้างแขนซ้ายงอและเหยียดสลับแขนขวา ง, งอและเหยียดโดยไม่ลืมอิริยาบถยืนดูความรู้สึกแตกต่างกันแล้วจําไว้เป็นตัวอย่างอาการรู้ในชีวิตประจํำวันขั้นของการฝึกรู้ตามจริง นับแต่ขั้นนี้ไปจะประยุกต์กับการฝึกเบื้องต้นแบบซ้ำๆไม่ได้ฉะนั้นค่มเป็นเรื่องของสติเฉพาะการขอให้สังเกตว่าความเคลื่อนไหวของพระพุทธองค์ให้มีความรู้ต่อไปนี้รายละเอียดซับซ้อนกว่าข้อที่ผ่านมาแต่ว่าพื้นฐานการรู้ขยับในข้อก่อนๆ ก, ก็มาช่วยเสริมให้รู้ขั้นนี้เป็นไปได้ดีขึ้น ในการทรงพาสังคติบาทและจีวรท่านกล่าวเฉพาะการสวมใส่เครื่องนุ่มห่มของพระเนื่องจากสูตรนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนพิษุดังยกแสดงไว้แล้วในบทที่สามอุเทสวารกถาถ้าเป็นพระก็เข้ากันได้พอดีถ้าเป็นครวาดก็ให้เป็นที่เข้าใจว่าคือการสวมใส่เสื้อกางเกง น, นั่นเอง สงสัยเครื่องนุ่งห่มนั้นอาจอาศัยความเกี่ยวข้องของอวัยวะหลายชิ้นล่าคืออาจต้องมีทั้งคอทั้งมือทั้งแขนทั้งขาประสานกันหมดถ้าขาดพื้นฐานในการรู้อวัยวะเหล่านี้เป็นทุนก็อาจทำให้สติเวงคลุ้มคลุงมไปไม่รู้จะจับอะไรตรงไหนแต่ถ้าฝึกไว้ดีแล้วก็จะพบว่าเป็นเรื่องง่ายขึ้นจังหวะไหนควรจับรู้ที่คอ จังหวัไหนควรจับรู้ที่แขนจังหวะไหนควรจับรู้ที่ขาอาจมีเรื่องหลังและการเอี้ยวตัวหรือคล้องตัวเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามรู้ได้ตลอดเช่นกันเพราะเป็นของที่เนื่องอยู่ด้วยกันนั่นเองในการฉันการดื่มการฉันของพิสูจน์ก็คือการกินของคาวาสไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของเหลวก็จะมีความเหมือนกันคือต้องถูกกลืนการจับรู้ จึงควรเป็นไปในอาการเคลื่อนไหลขออนุนะคะเป็นการเลื่อนไหลในลำคอโดยไม่เลือ่อมริ亚บทนั่งในการเคี้ยวการลิ้มขั้นนี้ถ้าทาเป็นจะสนุกและได้สมาธิอย่างเป็นธรรมชาติก่อนอื่นต้องแน่ใจว่ารู้อิริ亚บทนั่งอย่างสบายมีความเบากายเบาใจไม่เพ่งฝืน แล้วก็ไม่เผลอมือไปในทางไหนจากนั้นเมื่อส่งอาหารผ่านช้อนแรกเข้าปากก็เริ่มเคี้ยวให้รู้เฉพาะการขยับไว้ขึ้นลงของปากอย่าเพิ่งไปสนใจรสอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสในการกินครั้งนั้นขอเพียงทั้งผ่อนกายสบายใจทั่วทั้งหมดและรู้ว่าความนิ่ง ทั้งกายนั้นมีส่วนของขากรรไกรเท่านั้นที่ขยับก็จะเกิดความเพลินขึ้นอย่างง่ายดายเมื่อเพลินแล้วก็จะทำให้เพลินใจและตามรู้ในลักษณะนั้นต่อจนจบมื้อไปเองเมื่อรู้อาการเคี้ยวซ้ำไปซ้ำมาอิรยาบทนั่งเพียงพักเดียวจะรู้สึกเหมือนเราเป็นแค่กระโหลกที่ขยับขากรรไกรบดเคี้ยวอาหารอยู่ และกระโหลกนั้นตั้งอยู่บนโครงที่ยกขึ้นด้วยกระดูกสันหลังที่รู้สึกถึงความเป็นกระดูกก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรู้เคี้ยวอันมีฟันหลายสิบี่เป็นตัวทาหน้าที่หลักและฟันนั้นก็ต่อเชื่อมกับกระโหลและกระโหลกก็ต่อเชื่อมอยู่กับกระดูกทั้งหมดเรียกว่าจับหลักที่ชิ้นหนึ่งได้ก็นา กันไปครอบกลุ่มทั่วถึงทุกชิ้นที่จัดอยู่ในจำพวกเดียวกันแต่ละคนจะเห็นรายละเอียดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตในขณะต่างๆไม่จำเป็นจะต้องเห็นกระดูกหรือรูเรียวถนัดแบบตีลมเอ็กเรรู้ได้แค่ไหนขอให้เอาแค่นั้นก่อนเป้าหมายเพียงโรคขยับเขี้ยวบนพื้นยืนของเอริยาบดนั่งเป็นหลัก ถ้าเกินกว่านั้นก็ถือเป็นของแถมก็ได้ดีไม่มีก็อย่ารีบขนขวายขอให้สังเกตด้วยว่ามีความเกรงหน้าท้องหรือไม่ถ้าเกรงก็รีบบอกตัวเองว่าอย่างนั้นไม่ใช่รู้ตามธรรมชาติแล้วแต่หากมีความรู้ตัวอยู่กับการนั่งและการเคี้ยวโดยไม่ฝืนก็จะพบว่ามื้อ น, นั้นอร่อยขึ้นกว่าเก่าเพราะความรู้ชัดในการย่อย ขอไปค่ะความรู้ชัดในการย่อมนำมาซึ่งความรู้ชัดในรถและผลตามกันและความรู้ชัดในรถนั่นเองคือการรู้ตัวเข้าไปในการลิ้มอย่าเพิ่งไปฝืนพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรขอเพียงรู้ตามจริงไว้ก่อนว่ารถเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะคารวาสที่ไม่ได้ยึดหลักฉันสำรวมแบบพระ ของจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนก็ยอมรับตามจริงทุกประการในการถ่ายอุจจาระและปัสสวะการรู้อาการขับถ่ายจะส่งผลต่อไปเมื่อถึงบัที่เกี่ยวกับการพิจารณากายเป็นของโสโครคในขั้นนี้เพียงรู้ชัดถึงแรงขับดันการเริ่มต้นการสิ้นสุดว่าถ่ายอุจจาระหรือปัสสวะให้รู้อยู่บนอิริยาบถนั่งหรือยืนตามสภาพ ในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นท่านนี้ดูผลเพลินคล้ายกับการรู้อิรยาบถเดินยืนนั่งและนอนที่ผ่านมาในบับก่อนแต่ขอให้สังเกตเฉพาะอิรยาบบทสุดท้ายพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสเรียกว่าเป็นการรู้อาการนอนแต่ระบุจำเพาะจับจงลงไปทีเดียวว่าเป็นการหลับและการตื่นนั้นหมายถึงว่าถ้าการฝึก ที่ผ่านผ่านมาทำให้เกิดสัมปัชยัญญะเป็นธรรมชาติดีแล้วบุคคลย่อมสามารถล่วงรู้แม้ขนาดจิตเคลื่อนเข้าสู่ความหลับอาจเห็นรอยต่อระหว่างตื่นกับหลับหรือหลับกับตื่นชัดเจนประสบการณ์ของแต่ละคนจะบอกได้ว่าเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการฝึกสัมปัชยัญญะในความเคลื่อนไหวแห่งกายหรือไม่ และนั่นก็ย้อนมาพิจารณาว่าการรู้อิริยาบถเดินยืนนั่งในความมั่งคั่งแห่งสติสัมชัญญะนั้นย่อมแตกต่างเป็นธรรมดากับครั้งเมื่อรู้อิริยาบถด้วยสติสามัญการย้อนทบทวนกลับไปหาหลักแรกอิริยาบถใหญ่นั้นจะทําให้เกิดการสำรวจถี่ถ้วนขึ้นหรือแจ้งเห็นจินครอบคลุมขึ้นในการพูดการนิ่ง ความรู้ตัวอยู่ในการพูดนั้นไม่หมายเฉพาะเจาะจงตั้งแต่รู้ลงไปในการขยับปากเป็นคํคๆเบื้องต้นควรรู้ว่ากำลังพูดอยู่บนอุรยาบทเดินยืนนั่งหรือนอนเพราะคนเราสามารถพูดได้ทุกอุรยาบทเมื่อหยุดพูดแล้วก็จะจับอยู่ที่อุรยาบทที่เป็นปัจจุบันตามจริงโดยรู้ว่าเป็นจังหวะที่นิ่งจากการเจรจา อาจเป็นการรอฟังฝ่ายตรงข้ามหรืออาจเป็นการเว้นวักตามโอกาสที่เหมาะสมในธรรมชาติของการสนทนาตรงนี้ก็จะได้เห็นประโยชน์ในการพูดแบบมีจุดหมายชัดเจนมีการพักยกเสียบ้างไม่ใช่ปล่อยถ้อยคำออกมาเรื่อยเจื่อยการเปรียบเทียบระหว่างขณะแห่งการขยับปากพูดกับการนิ่งรู้ตัวอยู่เป็นจังหวะนี้ จะเป็นฐานอย่างดีในการกำหนดสติรู้สภาวะจิตในขั้นของจิตตาลุปัสนาต่อไปเพราะอุบายความรู้ตัวที่ดีที่สุดก็คือการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองภาวะนั่นเอง